พอตกมาสมัยทุกวันนี้เป็นบัดด้านวัต ถ, ถุโกงกางข้ามไปเลยถ้าจะเห็นได้หนที่ต่างๆแต่พ่ออย่างยิ่งตามมัดววาอารามมีแต่การก่อการสร้างลดระดับเป็นความสวยงามค่อนนั่นเป็นถือว่าเป็นกิจของศาสนาจริงๆขงึ้นมาซะแล้วทำพุศลการท้าไม่สนใจในกินเหล่านี้ แต่ชนใจในการพึ่ปฏิบัติเพื่อกำจัดชีเล็กมากยิ่งกว่าทางด้านบัตถุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบมเนียจะฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางเกี่ยวกับเรื่องความสงดเกี่ยวกับพระวินัย เวลาพระต้องการไม้ที่จะมาทาประโยชน์อะไรเ ล, เล็กๆน้อยๆเนี่ยให้โบกมือมองถึงอนุปสัมบันิจะเป็นเนินกว่าตามเป็นฆราวาสน้าดูมผู้ใยก็าตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้บกมือให้คุณนั่นมาแล้วก็อบอกว่าเราจะต้องการนี่ ไม่ให้เรียกไม่ให้ตะโกนด้วยกพระเจาวรวท่านต้องการความสงัดท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทําความภากเปลี่ยนของท่านแต่เป็นพี่น้าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นพี่น่าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทําความเปลี่ยนไม่มี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 ฟาดฟันทันแลกกับพิเลสนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งน่ะเวลาท่านสนธนาธรรมะกันแล้วสนทนาจนเกีกับเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่ อ, อการแก้กิเลสสถานที่ก่อนแสดงทุงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทาความเพียนที่เดินไปคมสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลย คงมันข้ามคงมข้ามหมดทุกอย่างทุกวันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อยมีมีเรื่องการบ้านการเมืองยุ่งไปหมดนั่นทุ่มมึงกันที่ตรไหนมีแต่เรื่องเดียวกันหากว่าจะพิจารณาจะโปรงธรรมะสังเวชมันก็ควรได้โปร่งตลอดเวลามีเรื่องของยิ่เละมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไงศาสนา ก, ก็เลยกลายเป็นศัพท์แต่ว่าศาสนาทําอะไรเป็นศัพ์แต่ว่าเป็นพิธีได้พิธีไปหมด นี่พิเคียก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสาระแก่นสารเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นกระพี้เป็นอะไรไปสุดท้ายก็มาตําหนิ้ศาสนาว่าหมดเกล็ดหมดสมัยเพราะผมไม่ทานนไ้่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาทาหนิ้ตนแค่บ้างก็ควรจะกระเทอือนพี่เล็ต้องมาทำหนิ้ศาสนาเพื่อเป็นการจงซื่อที่จะได้ดี น, นิยมนเข้ามาถึงเราผู้ปฏิบัติวาระของจิตที่คิดไปทางที่สั่งสมกิเลสนั้นมีมากน้อยเพียงไรสภาวะของจิตที่คิดเพื่ออัดเพื่อทำอ น, นี่เราควรจะนํามาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตาหนิอิเตียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นเรื่องของธรรมที่จะสงเคราะห์เข้ามาสื่อตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกําลังฟังอัดฟังธรรมอยู่เวลานี้ ขูดกันดาดดึงทุกแข็งตุกหนหมอกปกแดงตรงนั้นปกของมนุษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องหนอกน่อสหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้ชื่อว่าแดงหรือไม่แดงเมือธธ่อสิเลตทำหายอาสาสมัครครอบคุมจิตใจขึ้นมากอยู่ที่ไหนมันก็ร้องเหมือนกันคนนั่นแหละเบียดเบียนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเบียดเบียนทำลาย น, นอกจากคนเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันเพราะมนุษย์ ที่ขลาดมันทําหน้าทุกอย่างเป็นศาสนามีความเห็นแกใจแก่กันและกันโตัวเหตุโดยผลเป็นต้นไม่มีอยู่ความในใจิตใจแล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามลัทธิหรื อ, รอการกระทํานั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเดือดร้อนนั่นแเลยที่เกิดขึ้นจากการกระทํา จิตใจของเราก็เมื่อได้คิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อกวนวุ่นวายตัวเองมันก็ทํานองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาทางเหตุทางผลทางอัดทางทรมมันก็มีการดับยั่งทงัทง้งทั้งตัวเองแล้วมีการแบ่งสื้แบ่งรับหรือมีการต่อสู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นข้าศึกใหญ่ใจจิตใจก็มีความเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่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 สีเป็นอย่างไรผ้าขาวก็ต้องเป็นไปตามสีที่ย้อมจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสน่ะตามหลักธรรมตั้งกล่าวไว้แต่อาศัยที่เล็กที่จรมาความที่กิเลสจรมาก็คือจิตนี้เองจะนี่เองจรออกไปหาที่เล็กออกไปทางรูปทางเสียนทางกิ่นทางรสแล้วก็นําอารมณ์เหล่านั้นเข้ามานั่นแหละที่ว่ากิเลสจรมาขึ้นมากับอารมณ์มันั้นเนื่องจากจิตไปคว้าประยึดเป็นอย่างโอชินนั่นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจ แล้วพกเข้ามาย้อมภายในจิตใจใกลายเป็นจิตที่เศ้าหมองไปไปด้วยสิ่งต่างๆที่ไม่ดีทั้งหลายาะนะท่านกล่าวไว้ในธรรมว่ารุ่ก่อนทุกอยู่ทั้งหลายจิตเดิมนั้นทองใสท่าหละแต่อาศัยกิเลสที่จอนเข้ามาคาค้ า, ากับใจใจยิง เป็นไปต่างๆตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้อ ง, งนั้นท่านไม่ได้บอกว่าเดิมจิตเดิมแท้บริสุทธิ์ท่านบอกว่าจิตเดิมแท้บริผ่องใสว่นั่นพระพัฒสรา ม, มีดังจิตตามที่เคยนะประพัฒสร้างเบอกว่าพระพัฒสอนคือผ่องใสไม่ละหมายที่ไม่ได้บอกว่าบริสุทธิ์ถ้าว่าบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะมาเกิดไม่ได้ นาว่าจิตเดิมแท้บริสุทธิ์จิตเดิมแท้บริสุทธิ์แล้วก็มีปัญหาที่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าผองใสแล้วแน่นอนว่ามีทางเพราะมันก็เหมือนกับเมล็ดต่างๆที่มันเก็บโออะไรไว้ในเมล็ดของมันเวลาไปเพาะแล้วมันก็เกิดขึ้มานี่เป็นความสงบของจิต ท, ที่มันอยู่กับจิตนั้นมันไม่มีเครื่องมือที่จะใช้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 เราิด ต, ตัวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจหมูกเลี้ยงกายก็ใช้ได้จนแค่นั้นอ่ะต า, ตาดูหูก็ฟัง เ, เรื่อยกิเลสก็เข้ามาเรื่อยอันนี้ก็เลยไนมะ่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวรวงแย่ตั้งแต่เป็นม่วงของกิเลสปัญหาอาสวะทั้งหมดคิดตรงไหนแง่ใดมุมใดเวลาใดอดีตหรืออนาคตรนวงแย่ตั้งแต่การก่อป่วยกิาาาลน เ, นยเลเย หลังเข้ามาภากในจตใจของตนอยู่เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลําดับลําดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้จึงลำบากเพราะการสั่งสมเราสังสมมาตั้งแต่ยังไม่รู้จกาาักยังสมมาภาวะมักนก็สั่งสมมาเรื่อยๆกับไหนการใดก็สั่งสมมาการที่จะแก้ให้โดยสุดหรือให้ผ่องใสตามใจมากใจมกใหมายความสำคัญของตนนั้นมันจึงเป็นปนัญญาะมันควรจะเห็นจากผลที่จะ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 พร้มทั้งจิตตัวจิตเองว่ามีความแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างมีเราพอทราบได้หากว่าเราไม่ได้อบรมอะไรเลยปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมมันก็เหมือนกับเหลืองหนีอืมคือมันดำํำเหมือนหลังหนีเอาอะไรไปถูกมันก็ไม่ทราบว่ามันเปื้อนมันเปอะอะไรต่ออะไร เ, <c oughs> เพราะมันดําทั้งหมดเลยไม่ทราบว่า มันเพื่อนที่ตรงไหนมันโขกรปกที่ตรงไหนแต่เมื่อมีการช้านั่งโดยลําดับลําดับขึ้นมามันก็พอทราบได้ถึงเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรปฏิบัติอยู่เสมอได้รับการอบรมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นอย่างไงเดือนหน้าเดือนต่อมาเป็นยังไงโดยลําดับดับมันก็ทราบมาได้โดยลําดับก็ผลค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆ ความสงบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบันนี้กลายมาเป็นอย่างนี้ น, น, น, าา น, านฐานทกิดต่ก่อนมีความหยากแม้จะมีความสงบหรือเป็นฐานกิดได้แต่ฐานนั้นกับฐานท้องกิดอันนี้มีความละเอียดต่างกันพอพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจารณาเพรู้สึกครกขับครกขับอะไรนะคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เหตุได้ผลมีแตยความขี้เกียจท่านต่อมาเขาค่อยได้เหตุได้ผลขึ้นไปโดยลําดับบต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิกกันมาเป็นเรื่อย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 ไม่คานึงถึงความผิดถูกชั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้นการปฏิบัติส่งเสริมทั้งจิตใจของเรารักษาจิตใจดูโดยสม่ำเสมอก็อมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยระดับลำดับนี่แลสะสะสหละศาสนาเจริญคือจเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้จากการปฏิบัติโดยสม่ํเาเสมอนี่เดี๋ยวเจริญมาเรื่ยอยๆผลสิ่ ง, มม ท, งที่เราจะคุณได้รับก็มีความสงรบร่มเย็นไปโดยลำดับปัญญาค่อย แตกแขนงออกไปเรื่อยๆขาดกราวจิตใจของต้นให้มีความโปร่งใสให้มีความแจ้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลําดับลําดับเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาเจริญศาสนาเจริญกับมาผลเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันขึ้นอยู่ในจิตนั่นแหละเวลานี้เรามาบํารุงศาสนาคือ บ, บํารุงจิตใจของเราให้มีความจเจริญทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เคยเป็นค่าฝึกต่อจิตใจ สติปัญญาฟิตขึ้นเรื่อยๆพยายามค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่เล่าติดสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้ติดในสิ่งที่ไม่อยู่ที่ที่ไม่มีรักกรักสิ่งที่มีอยู่เกลียดโกรธชังก็สิ่งที่มีอยู่การแก้จึงแก้สิ่งที่มีอยู่นี่ที่ถือว่าเป็นค่าศึกคำว่าแก้ก็ได้จะแก้ความรู้ความเห็นของตนเองให้ไปในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็ค่อยปดปล่อยันไปเรื่อยๆ จิตใจก็เบาเมื่อภาณะคือพิเรตอาสวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการยึดมัน่นถือมัน่นมันเบาลงไปเบาลงไปจิตก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่จะถอดถอนพิเรตแต่ละ ต, ต, ตัวแต่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จะลอมจิตใจเข้ามาสู่จุดที่หมายเพื่อจะดำเนินงานได้สะดวก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 ขึ้นมาได้จิตก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่ธรรมนาจิตที่ไม่ควรมีความสงบภายในจิตใจเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ก็ดูเหมือนเป็นปัญญาท่านต่อไป ต, อต่อไปต่อไปก็ค่อยทะเลทลายทะเลทลายไปเลยกลายเ ป, ไป็นท่าอารมณ์ไปเรื่อยๆเหมือนธรรมนาที่ไม่เคยพิจารณาเลย นั่นท่านยังสอนให้จิตมีความตั้งอกสมาธิอบรมปัญญาตามหลักธรรมตั้งกล่าวไว้ว่าสมาธิปฏิภาวะปัญญามามอเพลามะ ฮ, ฮานิสร้างโมติภานสร์สร้างสมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอายุสูงมากปัญญาปฎิภาวะตามจิตกลางสมเด็ยวัอเวหิมุจติจิต<ม>ที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นจากที่เดือดทั้งกวนโดยชอบ<ม> น, น่น ในที่ปัญญาจะก้าวเดินได้ด้วยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายในจิตใจถ้าเราจะเทียบถึงธาตุขันก็คือธาตุขันก็ได้รับทานอาหารมาพอทังควรแล้วพักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายแต่ทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหงหุดหงิเป็นเหตุนี่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 ให้เห็นช like ัดเจนคือคลี่คลายออกดูเห็นประจกครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแก่แจ้งขึ้นไปเองเช่นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องหนึ่งสองหนจําไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนก็จําได้เองมีหมายถึงความจําท่องหลายหลายหนมันยังจําได้ปัญญาความพินิจพิจารณาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าค่อยเข้าใจคราวนี้เข้าใจข่าวหน้าเข้าใจหลายครั้งแล้วขราวไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ่งถึงใจต่อยได้เลยงาน หลวงพ่อพายโตก็พีกับโตทําให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจะมาทั่งถึงถึงสีถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองนะมาเพียงแต่ว่าพิจารณานแล้วนี่เราเข้าใจแล้วครั้งนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจนารณาอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณานขีดขั้งสูงก็ตามความเข้าใจนั่นเป็นบทเป็นบาตรฐาน สืบเนื่องกันต่อเนื่องันเป็นลําดับหนักจกนกระทั่งถึงความเข้าใจเป็นภูมิเมื่อเข้าใจเป็นภูมิแล้วก็ปล่อยเองอันเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณาเพราะพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เองเส้นเดียวกับแล้วรับานอื่นยากแต่บางครั้งไม่รับทานยังไมันรับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานยังไงอีกงาน ปัญญาเป็นสำคัญเมื่อถอดถอนจิเละเป็นวัดเป็นตอนไปได้โดยลำดับเห็นประจักได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะลอ่อมจิเละเข้ามาสู่จุหรือตะล่อมจิตเข้ามาให้ถู่ความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพัฒนาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดิน ตามขันต่างๆหรือข้าเดินตามอริยสัจก็ได้หรือตามขันอะไรก็แล้แต่จะพูกเพลินไปเพลินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลนดาดับลำดันั่นเป็นปัญญาขั้นเทินผลลายได้ปาปลากรดทำไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมื่อทำลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำดับลำดับก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรขึ้น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 รถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี้ไม่มีในโลกธาตุนิวทยณทันว่ารถแห่งธรรมชนะ่รถทั้งปวงตังว่าทั้งปวงก็หมดพอได้ปรากฏขึ้นที่ใจแล้วก็ทำให้ดูดดึงซึงทราบหรือทราบซึ้งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรถขึ้นไปโดยลำดับด เพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลํำดับลำดับนี่คือความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้นไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นมหาตรีมหาปัญญาไม่ได้ทีแรกก็ล้มลุกคุกครานไปตั้งได้บั่งไม่ได้บั่งล้มไปบั่งตั้งได้บัางแพ้บั่งชนะบั่งเอากันไปถูไถกันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายคาว่าแพ้ ไม่มีเลยให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้ทิเดตตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็ตามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้หน่ะถึงขั้นนี้เนี่ยคนไม่ยอมขอยมีท่านแบบปัญญาเตลุ ม, มัตหรือมหาสติมหาปัญญาออก็มาจากปัญญาที่ร่มรูปคู่ขานั่นแหละแต่เพราะความบำบุงความส่งเสริมฝึกหัดอยู่เสมอก็ต้องมีความข้องแค่แค่กล้า ข, า ข, าขาึ้นเป็นธรรมดาเรืพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันนี้และเอียดละเอียด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 ขนะที่เจอเขไปเจอก็แบบปคือเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้นรู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอนออกไปเรื่อยๆขันทั้งห้าพระพุทธเจ้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันทั้งห้าแล้วท่านมาพิจารณาก็รู้ขันทั้งห้าต่อรังขันทั้งห้าสาวกอาลัยขัท่านก็เป็นนหลงเมื่อการเช่นเดียวกับพวกเราหลงโลกหลงสารไมมีเกินหน้าพวกมิจิเล่ะ ผมมีกิเลสต้องหลงด้วยกันทั้งนั้นให้ทราบว่าใครจะแข่งใครใครจะเก่งกว่าใครมันเท่าๆกันเ่าจะเข้าใจว่าเรามีกิเลสคนอื่นให้มีกิเลสเลยมันเหมือนๆกันเนี่ยในโลกอันนี้แต่เพราะความภาคเพียรพยายามทําอยู่โดยสม่ำเสมอสิ่งที่หลงก็ค่อยรู้เข้ามารู้เข้ามาค่อยถอค่อยถอนเข้ามาอย่างธาตขันนี่ก็มันไม่ได้ใหญ่เท่าภูเขาแต่มันหนานแน่นยิ่งกว่าภูเขาแท้งไม่ทะลุ ง, ง่ายง่าย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 ถ้า ม, มีอะไรติดแหละเมือนก็มีติดอยู่ภายในตัวเองนี่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเอ ง, วเองความโมาง่บังความรู้ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชาาชาบังนิจชาอขี้เหร่บงังธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปติดค้นเข้าไปติกค้นเข้าไ ป, า ไ, ป, า ไ, ปไอเ้เม็ดหมอกทั้งหลายที่มันติดเม็ดชิดอยู่ภายในจิตใจนะี้ค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปพยายายต่อไปก็แทงทะลุไปหมด นั่นแหละท่านเนี่ยบกโลกาวิทูรู้ตรงที่มันมืดมืดนี่แหละโลโลกาวิทูรู้แจ้งโลกคือโลกธาตุโลกขันเป็นโลกที่มืดที่สุดเป็นโลกที่หนาที่สุดยิ่งกว่าภูเขาทําลายไม่แตกภูเขาทั้งโลกเขาทําลายแต่กระจายหมดแต่ธาตุขันนั้นมิทำลายไม่แตกต้องเอาสติปัญญาเข้าทำลายโดยสม่ำเสมอไม่ลดนะเมือ่อเลือดธาตุเลือขันออก สู่ความจริงคืออนิจจังทุกขังาตาล้นล้วนด้วยความซึ้งภายใน จ, จิตใจแล้วค่าสึกก็ไม่มีหมดค่าสึกในคันนี้อา้าวเข้าไปอยู่ในที่จิตที่เหลือทันหาสละวิมีที่หลบซ่อนจะไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาทั้งขาใญยานก็ถกถูกตีต้อนด้วยสติปัญญาแไปวิ่งเข้าไปสู่จิตอ่าไปตี้อนเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกประตำตามทั้งหมดจิตจะสูญก็ให้สูญไม่มีความเสียดายเลยว่าเมื่ จิตถูกการถูกพิจารณาพอจิตจะคิดหายพอจิตจะร่มงจมอา้าไม่ต้องกลัวความกลัวนั่นแหละคือกิเลสดที่ตงนั้นมันไม่อยากให้แต่ต้องโอ้นลงไปที่จิตฟาดฟาดฟ า, านลงไปที่จิตจนแตกกระจายเมื่อวลาแตกแล้วจิตไม่ได้แตกมันเป็นเรื่องของกิเลสแตกต่างหากเป็นกิเลสสลายไปต่างหาจิตไม่ได้สลายกลายเป็นความรู้สขึ้นมาทั้งดวงนั่นแหละท่านเรียกว่าพุท ธ, ธพุธโทโธทีแรกเราก็นําก็พุทธ พระนามของมุจ้าเข้ามาบริกรรมมาพุทโธพุทโธโดยอาศัยพระนามอันนี้เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุทโธพุทโธขั้นต่อไปต่อไปคําว่าพุทโธของกับความรู้ของเราค่อยกลมกลืนกันเข้าไปโรวมนับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคําว่าพุทโธก็ปล่อยได้ในขณะนั้นนี่ก็เป็นพุทโธขั้นหนึ่งพุทโธขั้นนี้กล้าเขาจะกระทั่งถึงพุทโธขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิชาสัญหาอสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุทโธที่แท้จริง เป็นธรรมโมทแท้เป็นสังโฆแท้พุทธะธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้นอาการตามอาการทนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผูกกรรมหลักสมมุติที่โลกมีสมมติให้นก็แยกประเภทออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสตราที่ทรงต่่งตอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันอะไรแบบนี้พระสกลนากาเนี่ประกาศสองโลกอันนี้เราที่ว่าพุทธะนี่เรือนร่างของพุทธะคือสกลนาการธรรมะก็ได้แก่ ธมโมปดีโปที่มีความสว่างอาะจา่างเพื่อให้เห็นในท่าไทยที่บริสุทธิ์นั้นแน่ <Yeah. S 1> สังฆะก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อ uh. ตามพระพุทธเจ้าทันหนึ่ท่านแยกเป็นประเภทประเภทออกพอถึงความจริงล้วนแล้วคําว่าพุทธธรรมะสังฆะนั้นเป็นอันเดียวกันเลยคือเป็นธรรมทั้งแทงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันหมดอาการไม่มีอาการพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นท่าธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นอย่างนั้น อันไม่มีมีแต่ธรรมล้วนภายในจิตที่สว่างสวหมดสมมุติว่าอดีตอนาคตการสถานที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสหาหรับจิตตรงนั้นนั่นแหละคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดท่วงบรรดาสมมุติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษาการปฏิบัติ จ, จิตใจบำเพ็ญจิตใ จ, จโดยสม่ำเสมอยาก ก่อตามง่ายก่อตามพานไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระทั่งถึงขึ้นหมาปลายทางผู้นั้นเป็นถูกพ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแจกจิตตายนักแบบทุกข์ให้ลําบากลาบดเป็นผูกพ้นไปแล้วยังแต่ขันก็เป็นขันล้วนื้ออาการอะไรที่เจ็บปวดทั้งนั้นทั้นี้ก็ทราบไปตามธรรมชาติท้องมัน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 จึงต้องอาศัยการซักฟอกเพื่อการพิสนปฏิบัติการได้ยินในฟัง่งจนกระทั่งถึงชั่วตัวเองได้เต็มความสามารถ บ, บรรลุถึงความเต็มภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมดมการจ แ, รแสดงธรรมถือว่าส่ควรพอุติกันเป็น